การให้ทานจึงเป็นเรื่องจำเป็นอันหนึ่งโลกจะอยู่ได้ก็เพราะการให้ทานพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นมาได้ก็เพราะอาศัยการให้ทานของชายกชายิกาบำรุงรักษาเพราะพระเนรไม่ได้ทำไร่ทำนาะค้าขายทำราชการอะไรอาศัยผู้มีศรัทธาบำรุงรักษาสงฆ์สงหาโด ย, ยวัตถุต่างๆเพราะพระก็ไม่ใชพระพุทธลูกซึ่งจะอยู่ อย่างสะดวกสบายได้ขาดของฉันมีขันของฉันมีการหนุงการห่มก็ต้องหนุงต้องห่มเหมือนกันกับคาราวานการขบการฉันก็ต้องขบฉันเหมือนกันเมื่อฉันไม่มีสิ่งหนึ่งห่มปกปิดอวัยวะร่างกายไม่มีขี่พักขี่อาศัยไม่มีอาหารการบริโภคร่างกายอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้คนไม่ไหว จะเดินจงกรมภาวนาศึกษาเราเรียนอะไรมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำได้แต่นั้นทานการให้จึงเป็นเบื่องบำรุงศาสนาอันหนึ่งถ้าขาดการให้ทานศาสนาพระเนนอยู่ในวัดในวาก็อยู่ไม่ได้ไหลพระไหลง่ายจะตายไปเพียงจะติดเหมอข่าวเหมาะแจงเท่านั้นท่านก็อยู่ไม่ได้ที่ไหน เพราะใดอยู่ใดฉันฉันก็จะไปที่นั้นเพราะไม่มีอาหารจะเลี้ยงหลางายจะเดินจงกรมภาวานาทำไม่ได้ฮะมนมุษย์เป็นอย่างนั้นเหมืนอนหพพุทธรูปจะต้องอาศัยวัตถุเข้าของจากคนอื่นไม่ใช่่ันบังคับบัญชาแต่ผู้สี่เหลี่ยมใจศรัทธาเขามาให้ แต่พระถ้าต่างหน้าตัางตาปฏิบัติรักษาสีธรรมสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าไปคิดว่าจะอดยากยากจนจะทุกข์หอถึงตายธรรมที่เราปฏิบัติอยู่นั้นจะคุ้มครองรักษาจะมีคนเกิดสัทาเหลื่อมใสนำสินงของต่งตงตางๆมาให้เพราะเรามีอัฐมีธรรม ทำกลุ่มคองรักษาอย่างนั้นแต่นั้นพระทาตั้งหน้าต่างตาเดินทุกรมภาวนาละชีเหลียดจริงๆอย่าไปคิดว่าจะในนี้อยากมีจินมีนึ่งมีหงขอให้ตั้งหน้าปฏิปทิปฏิบัติอัดทำเถอะทำจะรักษาผัวพิษทำไม่ตกไปในที่ชั่วความอดอยากยากเกินความจนไปต่างๆนานาสติฉินอินทานั้นจะไม่เกิดขึ้น ทาต่างหนา้าต่างตารักษาตามคำยินัยคำสอนของผู้ธเจ้าจิงจังคนสุักเพื่อปฏิบัติอาจทำมีจานวนน้อยลงไปทุกวันเพราะคนสมัยนี้การทำมาหากินมันยุ่งมันลำบากเพราะคนมากเหลือกันอย่ต้อง ยิ่งเต้นแสวงหาไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้มาเพื่ออยู่เพื่อกินไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะคนน้อยของตามที่ต่างๆมันพอหาได้ง่ายสบายสมัยมีมันหายากยิ่งยิ่งบุนแสวงหากันแต่ถึงอย่างไรก็ดีการทำบุญทุททานนั้นมันก็ไม่เหลือเวไส ทานไปแล้วไม่ใช่ว่ามันจะสิบหายจะเป็นบุญเป็นกุศลจ่บุคคลผูกให้คนทําบุญสุ้นทานนั้นไม่เคยอดอยากยากจนพอที่จะได้ขอทานเขากินแต่คนตรนะหนี่เงี้วแน่นไม่เคยให้อะไรแต่จะบวชเกิดมาสแสวงหาอยู่ตลอดเขาเหล่านั้นก็ไม่เห็นลารวยเท่าไรถ่าพิจารณาอย่างนี้ก็มีทางที่จะทําบุญสุ้นทานได้ นี่เป็นทางบุญทางกุศลจนทงจนคิดไปใจมันเย็นใจมันสุขใจมันสบายเพราะการให้ทางศีลคือการรักษากายวาจาของตัวนี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่มีสมบัติอะไรก็รักษาได้เพราะกายวาจาอยู่กับตัวเรารักษาง่ายถ้าผูช้ชอบผู้ยินดีศีลนี้ก็ทําทให้เกิดพวคะทรัพย์ได้ตามอณิสงฆ์ไทย ของศีลที่แ่างเก่าอ่ะที่เลนะทุขจริงยันติที่เลนะโพกับสัมปทาศีลที่ต่างหน้าต่างจารักษาประพุติปฏิบัติจริงจังแล้วถ้าหากคนผู้นั้นล่วงรับดับไปจะได้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์หรืออยู่ปัจจุบันคนที่มีศีลบริสุทธ์ก็มีความสุขทางใจในตำแหนิดตัวเองได้คนอื่น ที่เขาเห็นเขาเขาก็เสือเหลือ่อมใส่โดยอา น, นาคศีลที่เขารักษากระเพือปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่มีการทําศีลท่องตัวให้ขาดให้ด่างพร้อยหรือเสียหายแต่ปัจจุบันตัวของตัวเองระลึกไปในศีลสี่ตัวรักษาไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปจิตใจนั้นก็ไม่หวั่นไหวจิตใจมั้นก็เยือกเย็น ถึงคนอื่นเขาจะมากล่าวตูดูหมินหมินคาต่างๆโดยอํา น, นาจศีลของเราบริสุทธิ์เราก็สามารถอาบหารที่จะพูดตามความจริงได้ถ้าหากเขาจับคุมคุมตัวไปสู่โรงสู่ศาลหรือไม่อย่างนั้นเขาติฉินงินทาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตรวจตาที่เจนาศีลของเราไม่มีอะไระเสียหายเราก็ไม่ติดเสียใจไปตามลมปากของเขาเพราะคนเหล่านั้น ไม่ทราบความจริงของเราใจจึงตั้งมัน่นใจจึงสบายใจจึงเย็นผู้ที่รักษาศีนบริสุทธิ์สุดของจริงจังแล้วท่านในธรรมมาค้าขายอะไรแต่ก็มีคนเหลื่อมใสนำจอมบัตต่างๆมาให้สมกับว่าชีเลนโพขา้ารัมปัชชาคือมีผู้นำจอมบัตต่างๆนานามาให้แทนที่จะอดยาย่จนพอบไม่เดกแต่ทำ ไในแสวงหาแต่ก็มีคนศรัทธานำมาให้ที่เรนนี่ปูริงยันติผู้ที่ประพปฏิบัติศีลของตัวจนเป็นอธิศีลแล้วคนนั่นแหละจะได้ไปสู่พระนิพพานหากศีลไม่มีก็เหมือนบ้านไม่มีบันไดไม่มีทางจะขึ้นศีลเป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งในทางศาสนา ใจสิกาขาก็คือศีลสมาธิปัญญานี <c oughs> ่คือใจสิกขาคือพู้ศึกษาจะต้องประพฤือปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ศีนเป็นของดีของมีคุณค่าในปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าหากมีศีลจงศีลห้าโดยกันโลกอันนี้ก็จะหยกเย็นเป็นสุข ไม่มีการรบลาถาาฟันกันไม่มีการลักการขตมวยกันไม่มีการประพฤติผิดหนอกหลีบหนอกทางผู้จะมีภรรยาต่างคนก่อต่างรักษาศีลไปสถานที่ใดก็ไม่มีการนอกจิต ห, หนอกใจสิ่งกันและกันเชื่อมั่นในกันและกันเพียงศีลห้าครอบครัวนั้น อยู่เป็นสุขไม่ทะเลาะเบาแหว่งกันไม่ขัดทีกันสงบถึงไม่มีสมบัติพัดสถานมากมาย ก, ก่อตามครอบครัวนั้นเขาก็มีความสุขเพราะไม่มีการทะเลาะีิวาดกันใน่นอกจิตนอกใจกันครอบครัวใดถึงจะสมบัติพัดสถานเข้าของเงินทองมากมายใหายกองขนาดไหนแต่ประพฤตินอกใจกันแล้วครอบครัวนั้นไม่มีความสุข เกิดทะเละบบาแหว่งกันอยู่เรื่อยผลตีสุดก็ข่าก็ตีกันสมบัติที่หามาได้มากมาย ก, ก่อนับบังจะจิดหายเพราะเขาไม่มีศีลศีนจึงเป็นเรื่องสำคัญข้อหนึ่งซึ่งจะนำความสุขมาให้ในปัจจุบันและพบหน้าผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วคนนั้นพบฉาดของเขานั้น เขาจะมีพรบชัดขีดีเกิดมาจนมนุษย์ก็จะเป็นคนทีบริสุทธิ์มีชีวิตยืนยงยาวนานเพราะไม่ห่าเขาไม่เดียเดเบียนเขาโรคภายไข้เจ็บก็ไม่เคยจะเกิดขึ้นมีภรรยาสามีลูกหลานเกิดมาก็บอกนอนสอนง่าย ไม่มีใครที่จะมาโกหกพกลมเพราะเราไม่เคยโกหกพกลมเขาเรารักษาศีลเศรษปัญญาวิชาความรู้ต่างๆก็ดีฤิเศษเพราะเราไม่กินสุลาไม่ดื่มสุลาถึ่งเป็นทางนำมาในความประมาทศีนอันนี้สงฆ์ของมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราทุกท่านพราอที่จะรักษาได้ก็รักษาศีล ก็ไม่ตายง่ายๆ ไ, ไม่ใช่ว่ารักษาศีลจะทำอะไรไม่ได้คนรักษาศีลทำได้การงานต่างๆนานะตามหนา้นาที่ฐานะของตนไม่ใช่คูอขาปลูกมือเอาไว้ไม่เห็นทำอะไรทำได้การทำมาค่าขายดี๋ยวามสุจริมันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันมี พาสิจะเลี่ยงซีท้องตัวไปได้ตลอดวันกายเหมือนกันแต่นั้นศีลจึงควรรักษาเอาไว้เมื่อเรามีความสุขความสบายโดยการรักษาศีลคนอื่นเขาเห็นศกตัวของเราเยืยเยอกเย็นเพราะการรักษาศีลเขาก็จะมีจิตมีใจอยากรักษากับเราทำให้คนนั้นคนนี้รักษาเลื่อยไป เลยส่วนน้อยเลยกลายเป็นส่วนใหญ่เลยทําบ้านเมืองให้เยือกเย็นสงบสุขได้ยิ่งไม่มีศีนเท่าไรก็ยิ่งวุ่นวายเดือดร้อนไปถ่านั้นสมัยปัจจุบันคนรักษาศี น, นั้นรู้สึกจะหายยากไม่ว่าแต่คาราว่าตลอดพระที่สุสามนเณรผู้ที่จะรักษาศีนจรงิงจังกว่าหายยากอีกเหมือนกันท่าช่างศิเท์ เป็นเพศของสมณนะคือพูดทีสงบแต่มันไม่สงบให้เพราะอำนาจของใจคือกิเลสตัณหาบ่งบัญชาให้ทำให้พูดไปในสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆแต่นั้นย่งควรทีนิานาติจารณาตั้งหน้ารักษาให้ศีน้องตัวบริสุทธิ์ผุดผองเป็นคาราวสาขาาวา็รักษาศีนของคารวะเป็น สามนเนนตัวรักษาศีลของ x x í, สามาเนนเ็นทิน x x í, สุตัวรักษาศีลของทิกสุให้ปลอดภัยให้บริบูรณ์เมื่อรักษาศีลบริบูรณ์แล้วจิตจะสะดวกสบายจิตจะสุขเพราะไม่คิดเห็นศีลของตัวเสียต่างๆเมื่อจิดสุขใจสุขมีความสุขในปัจจุบันตายไปก็จะสุขได้ ถาวรุ่นวายในปัจจุบันเดือดร้อนในปัจจุบันตายไปก็ไม่มีวันเวลาที่จะไปไประสบพบเห็นความสุขความเย็นได้พอใจมันไม่เย็นใจมันร้อนภาวนานั้นก็เป็นท้องง่ายไม่ใช่ท้องยากคือรักษาจิตใจท้องตนไม ah e ่หกังวลส่องแวะกับเรื่องต่างๆทําจิตให้อยู่ในอารมณ์ชั้นยา ในธรรมะที่เราชอบเราพอใจเช่นกำหนดบทพุทธโธเราก็กำหนดอยู่นั้นไม่ให้ใจิตใจด่วไหลไปสู่อารมณ์สัญนยาอันอื่นถึงมันเกิดขึ้นหรือผ่านมาก็ปัดมันทิ้งออกไปอย่าไปตะคุบในอารมณ์สัญนยานันนั้นเชื่อมั่นแบบการบริกรรมคำนี้ของเราจะนำความสงบสงัดมาให้จะนำ ความสุขมาให้แก่ตัวค่องตัวส่วนการติดค้องกับอารมณ์สัญญาไล่ตามสัญญ า, าอารมณ์ต่างๆมันอยากคิดอะไรก็คิดไปมันอยากปรุงอะไรก็ปรุงไปนั้นเราเคยปล่อยจิตใจของเราให้รั่วไหลไปแบบนั้นมานานตีแล้วแต่ความสงบของใจความหยัเย็นของใจความวงวมง้ของใจ เรายังไม่เคยเห็นเคยเป็นให้ต่เพราะสัญญาอารมณ์เหล่านั้นมันไม่ใช่ทางที่จะทำความสงบสงัดให้เมื่อเราทราบอย่างนั้นจงตัดมันละมันปล่อยมันเสียในเมื่อจะบริกรรมบทพุทโธก็เอาบทพุทโธอยู่นั้นนานๆเข้าเมื่อจิตของเราสัมผัสกับบทพุทโธไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปในสัญญาอารมณ์อันอื่นจิตจะรวมให้หรือผู้ที ตั้งหน้าตั้ง ต, ตากำหนดลมหายใจก็กำหนดอยู่นั้นมันออกมันเข้าให้รู้จักทุกระยะทุกเวลาออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวก็ให้รู้จักกำหนดอยู่นั้นอย่าให้ยจิตคิตรยงไปอันอื่นให้อยู่กับลมหายใจที่ออกที่เข้าเป็นปัจจุบันอยู่นั้นจิตของผู้ที่ ชอบแบบนั้นมันจะลงรวมให้แต่การกําหนดลมหายใจนี้ทางศาสนาสันติราเป็นที่สบายของบุคคลทั่วไปคือทําได้เพราะลมหายใจมันมีอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนแต่เรากําหนดอยู่ในลมหายใจออกก็ให้รู้จักเข้าก็ให้รู้จัก ออกสั่นเข่าสั่นก็ให้รู้จักออกยาวเข่ายาวก็ให้รู้จักหารู้จักอยูนะ่หนลมหายใจท้องตัวไม่ปล่อยให้มันไหลไปสู่สัญญาอารมณ์อันใหม่จิตใจมันเกาะสงบได้เมื่อจิตใจมันสงบลงไปลมหายใจมันกาะละเอียดเข่าละเอียดเข้าบางทีลมขาดไปเลยไม่มีลมหายใจแต่เราก็ไม่ตาย พรใจมันสงบใจมันละเอียดแตนจึงว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติผู้ที่ดำน้าเด็กอยู่ในคันไม่มีลมหายใจแต่เราเคยเห็นเคยเจนไหมเราดำน้ำเราก็เคยดำเราก็ไม่ได้หายใจแต่ไม่นานก็โผล่ขึ้นมาคนที่อยู่ในคันเราก็ไม่ทราบได้ว่าเ็นอย่างไรแต่จิตของเราละเอียด จิตของเราภาวนานี้เราจะทราบได้ ล, ลมหายใจของเราบันดับไปหมดไปลมออกได้ทุกขุมขนละเอียดเบาสบายถ้าลมหายใจมันยากจิตของเราก็ยังอยากอ ย, กอยู่ถ้าลมหายใจของเราละเอียดลงไปจนดับอย่างลมแล้วจิตมันรวมถึงที่มันมีความสุข ความสบายจะนั่งอยู่ยยยหี่ชั่วโมงความเจ็บปวดเหนื่เหนื่อยเหนื่อยหิวจะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตในปรุงออกสู่เรื่องของโลกของนอกนี่คือความสงบความสุขของใจการภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องจะ ท, ำำทําบําเพ็ญเพราะภาวนานี้เป็นทางที่จะเกิดปัญญาาใจในสงบยงรวมให้ไม่มีสมาธิของใจ คนนั้นจะมีปัญญาทางโลกเฉียบแหลมขนาดไหนอย่างกิเลสตัณหามานาทิตในใจไม่เคยตกเคยหล่นออกไปแต่การภาวนานี้ชาติรวมลงเป็นหนึ่งมีสมาธิหนักแน่นถอดถอนขึ้นมาจากความสงบนั้นมาพิจารณาอะไรที่เราสงสัยเราจะตัดขาดจากความสงสัยไปได้ความสุขความสบาย คือเราเคยคิดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันไปเสิอเลื่อลอยต่างๆหากเราไปเห็นความเยือกเย็นสงบท้องจิตแล้วไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าใจสงบเมื่อใจสงบเป็นสมาธิมาพิจรารณาจิ่งต่างๆมันจึงเกิดปัญญา ละกิเลสได้สิ่งที่เราเคยกองจิดคิดแยะต่างๆเก่นกมรมมาลาะเราถือว่าหน้าจำหนัดหน้ายืนดีหน้าจูบหน้ากอดต่างๆหากจิตมีสมาธิมาทุเกนาตามธรรมะจึงจังแล้วรูปที่เราไปลุ่มหลงนั้นมันเหมือนกันกับรูปเราจิตเท่านั้นมันไปลุ่มไปหลงกายอันนี้มันไม่เคยลุ่มหลงอะไรที่เราถือว่า คนนั้นคนนี้สวยงามต่างๆนานานั้นตามจิงเราหลงไปตามสมมติธาตุหันอย่างเดียวกันกับเราเป็นของเน่าของปฏิกูลทางนั้นัวไหลออกมาทางหูงทางตาทางจมูกทางสากที่ไหนไม่มีขี่แต่บนทีษศาก็ยังมีขี้หัวขี่ที่ศา มันไหลออกมาจากตายอันนี้ออกมาจากขี่ใดก็เป็นขี่ทางนั้นเป็นของปฏิกูณโภคของเหนา่าของเน้นเรายังไปจุดไปคล้องไปจำหัดยินดีเราเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นคนมีปัญญาทําไมจึงไปหลงไหลใส่ฝันอย่างนั้นมันจะคิดไปหรือจะกำหนดทำลายถาดขันอันนี้เดี๋ยวีิเยนาให้เป็นถาดทั้งสี่ มันก็พอพิจรารณาได้เพราะใจมันมีสมาธิพิจรารณาอะไรก่อนรู้จริงเห็นจริงขึ้นเมื่อมันรู้จริงเห็นจริงตามธรรมชาติของมันความปล่อยวางราษอนความคล่องจิตคิดแย่รรต่างๆมันจะหมดออกไปใจจะสุขใจจะสบายเพราะไม่ลุ่มหลงรูปมันมีอยู่ทั่วโลกเมื่อจิตของเราไม่ลุ่มหลงรูปของเราไม่ถือว่าเราว่าของของเราเป็นแต่สภาวะอันหนึ่งจึงมา เกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนและแตกสลายเหมือนกันหมดมันจะมีอะไรสงสัยคนอื่นที่ตายไปก่อนก็ทํานองเดียวกันคนปัจจุบันเส้นอย่างไรอดีตอนาคตที่เป็นมาก็ทํานองนะัง้นยังไม่มีอะไรที่จะสงสัยกันเพราะจิตใจไม่สงสัยจิตใจละาขาดเข้าใจตามเป็นจริงในการภาวนา มันละมันถอนอย่างนั้นผู้ภาวนาจะเห็นจะเป็นในตัวจะทราบว่าจิตของตัวมันละถอนตัดหาดจากราคากัญหาโดยการพิ่เจรณาโดยการทํร า, า <c oughs> ทความเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ทราบดูในตัวนี่คือการภาวนาเหนือจิตของตัวในความจิตที่และ กับเรื่องของโลกในจิดข้องในอะไรทั้งหมดแลีวความสุขความสบายมันจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยความจุกความข้องของใจนั่นเองคิงเกิดทุกข์เกิดโทษถ้าหากจิตในข้องจิตกับอะไรมันจะมีอะไรมาให้ทุกข์ให้ทษกร่างกายมันเกิดขึ้นแปรปวนแตบกบสลายกระชาบตามความเป็นจริงของมัน โรคไทยถือมาเบียดเบียนก็ทราบโรคมันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันกับเราจะต้องมาอาศัยแผ่นดินเป็นที่อยู่ที่อาศัยถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัโยโรคใครมันก็อาศักายกายของสัตว์ของบุคคลเป็นที่เกิดขึ้นมันก็มาอยู่มาอาศัยตามเรื่องของมันเมื่อมันหายมันก็หายไปแล้วก็โรคใหม่เกิดขึ้นอีกมันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปสงสัยอะไร เพราะชาดดีอย่าไปติดข้องกับอะไรในพบในชาดใหม่เพราะเกิดชาติใดพบใดมันก็จะมีแก่มีเก็บมีิตายอย่างนี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไรความลาบากจากยุ่งมันจะมีอยู่อย่างนี้เกิดไปนานเท่าไรก็เต้นใจอย่างนี้ดังนั้นการปฏิบัติใจเพื่อความบริสุทธิ์นั้นถึงจะลาาําบากยากยิ่งขนาดไหน ก็ยังดีกว่าจะได้เกิดในภพใหม่ชาติใหม่อีกต่างหน้าต่างตาชีวิตที่เจรนาต่างหน้าต่างตาทำความเพียรเผื่อละถอนที้เลตัญหาจริงจังคนนั้นจาเห็นอัตธรรมถือพระพุทธเจ้าเห็นจะ ม, มีการสงสัยพุทธะคือถูภายในจะเกิดขึ้นตื่นจากหลับจากหลงเบิกบานอยู่ทุกการทุกเวลา มีเครือจิตสี่ภาวนาละกิเลสขันมีความสุขความสบายทั้งตายทั้งอยู่ตายต่อนี้อะไรที่จะไปเป็นเดินเป็นใครเสียดายว่ายังไม่ได้ทําอันนั้นยังไม่พออันนี้เพราะปัจจุบันทราบอยู่แล้วความบริสุทธิ์ของใจจะอยู่ไปอยู่หมือนสี่แสนสี่ต่อไปมอะไรที่จะดีจะดีเศษขึ้นอีกไม่มีอะไรที่จะล่จะถอนอีกมันหมดเท่า น, นี้ บริสุทธิ์แล้วหมดเรื่องแล้วตายไปความบริสุทธิ์จะตายไปตามถาดตามขันไหมท่านก็ทราบท่านจึงไม่มีการเสียใจดีใจในการอยู่การตายของขันส่วกเราเน่เป็นอย่างนั้นหว่นนนหวงอันนั้นห่วงอันนี้ไม่อยากร่วงหายตายไปเพราะถ่ายังอยู่กับคงเจริญสร่างอันนั้นทําอันนี้ต่อไปคือยังไม่ถึงความเสร็จสิ้นของใจ ยังไม่มีความพอดีของใจยังมีความอยากของใจมันจึงหลงไหลจึงเป็นทุกข์ผู้ที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วท่านไม่มีทุกข์ที่จะไปเกิดเขาจิตเขาใจของท่านอีกเมื่มอทุกคนปรารถนาอยากไม่มีทุกข์อยากมีความสุขตลอดการบอกพากันต่างหนา้าต่างๆาที่นิจเจนาภาวนาละที่เลส เมื่อถึงขีดสุดยิ ม, มุติแล้วมันเหมือนกันหมดไม่มีการสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกอรหัตอรหันเป็นอย่างไรเราเข้าใจของเราเท่านั้นพอทั่วถึงกันหมดพระพุทธเจ้าจริงๆว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาคผู้เห็นธรรมบริสุทธิ์ของใจนั่นเองฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งหน้าตั้งตา ภาวนาลฟ์กิเลสเกี่ยวความบริสุทธิ์อย่าไปคิดว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาอาภัพอับปัญญาต้องตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำบำเพ็ญจริงจังความเป็นความเห็นจะเกิดสุนในตัวของตัวและทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพวกเราท่านมีโอกาสที่จะแต่ทำบำเพ็ญปฏิบัติได้ ไม่เหลือวิสัยเพราะเราไม่ใส่อาภาพธาบุคคลคือเป็นพธาบุคคลบุคคลทุดทวนแก่ทาแก่ดีในต้องพาทำต่างใจไปพิชิตปฏิบัติความสุขความสบายที่อธิบายมานั้นจะไม่ใส่สมัดของใครเป็นสมบัติของเราท่านทุกคนสามารถปฏิบัติได้ความเย็นความสบายจะเกิดขึ้น นั่นขอทุกคนช่งยนำไปที่มิพพานศึกษาตัางหน้าต่างตาปฏิบัติเมื่อเราท่านแต่ทำบำเพ็ญอย่างนั้นก็จะไปสดพบเห็นความสุกความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอต้องเตรียมสเวลาขพอาะยุติเพียงแต่นี้